รู้จักในรอยะตอนนั้นเขาไม่ได้กำหนดวันนั้นเลยมันไม่ได้นอกวันที่หนึ่งที่สองมับไมได้กำคืูวันนัดหม่เดือนปีัสามสิบเดันวาคมสอัน้ารอยี่สิบสีรุงนี้ก็จะเป็นวันที่หนึ่งเดือนมกรา สองพันยยี่สิบ้าเราเคยพูดกันเรื่องปีกับปีใหม่แล้วก็ทําบุญก็ต้องทำตรงท้ายปีกับเรื่องรับปีใหม่เราเคยพูดกันอย่างนั้นวันนี้พวกที่ได้มารวมพันเรื่องมาประสมกันที่มาประชุมในวันนี้ก็อาจามาได้รับที่หมดเไว้ที่ควกคุม ปฏิบัติธรรมจะรับจดหมายและก็ได้พูปเพื่อปรบคำว่าให้อาตมามาอบรมผู้ที่สนใจในการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมนั้นมันเป็นการต่ออายุตัวเองก็ได้หรือเป็นการต่ออายุพระพุทธเจ้าก็ได้ หรือจะพูดไง่ายๆเดี๋ยเป็นกานสองอายุพุทธศาสนาจะได้ดังนั้นเราเคยเรียนกันหลักพุทธศาสนานัานมากเนรเรียนมาตั้งแต่ตัวเล็กๆทีเดียวอาตมาเองเคยเป็นเนอายุ11ปี เ, เคยศึกษาเคยปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่อายุ11ปี เขียนหนังสือไม่เป็ดหนังสือไทเขียนไม่เป็นอ่านไม่ได้จะเรียนตัวทำว่าอาจามาต้องเรียนตัวทำเขียนเต็ดเวลาอาจมาเคยเขียนหนังสือเขีย น, นตัวทำในมือนี่เขียนไปเขาบรจาคมาทำเป็นหรือว่าเขียนหนังสือใครเขียนมากได้บุญมากล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมต้องเขียนหนังสือเป็นธรรมะธร เ, เข้าใจไหมครับครูบาสอนอย่างนั้นเราก็ต้องเข้าใจอย่างนั้น อันนี้เป็นวิธีรู้จกรู้จำมาจากครูบาอาจารย์รู้จำมาจากพ่อจากแม่ปูย่าตายายสอนมาเรียกว่ารู้จักรู้จักรู้จักับปิดามาราวครูบาอาจารย์สอนให้และพ่อแม่กูย่าตายายสอนให้มากป็รู้จักรู้จำรู้จักนี้ดีหน่อยไม่ พูดอยนี้วันนี้พูดเอวหรือพูดกล้าหารพราะเราพูดความจริงเพราะในระยะนี้เราทุกคนต้องการปฏิบัติธรรมเพื่อทําำคนใจตกต้นเพื่อความจริงใจการรู้จํารู้จักนี้เราไม่หมดพูดจริงจังเพราะเราอยู่ในอย่างที่เราอยู่ในสารานี่เนะี่ยเราปิดปิดปิดแก ใส่ลูกก่อนข้างนอกเราออกจากสลานี้ไม่ได้เราก็ต้องรู้อยู่ในวงสลานี่เองเราจะออกนอกสลานี้ไม่ได้แน่นอนที่สุดตอนนี้ที่จะมาปิดอย่างนี้นตามปกติฟอมรู้ที่อยู่ในคงอยู่ในสลานี้ออกสลาไม่ได้ก็เหมือนกับนกขังอยู่ในต้ม่มขังอยู่ในคงเคยเห็นนกเขาขังอยู่ในตุน่มหรืใครเคยเห็นเคยเห็นไหม ยนะกเขาขังเล ย, ยตู้น้ำออกตัวไม่ได้นะมันปิดไปอันนี้ก็เหมือนกันที่ผมรู้ที่เรารู้ในตำลักตำลารว้ ก, กับครูบาอาจารย์สอนให้เรารู้จากที่ว่าออกจากตําลาไม่ได้เมื่อเราออกจากตําลาไม่ได้เราก็ติดตำลาก็เหมือนกับเราอยู่ที่สาลานีเองคนปิดระแกรข้างนอกแล้วเราไขาข้างในไม่ได้เราจะทํายังไง ก็ต้องมีผมรู้หาวิธีขายออกไปจนได้เมื่อพูดเจนนิอัตมาเคยเป็นในออน้องทีควางเป็นคนจีนคอยในสมัยหนึ่งคนจีนแต่เป็นนิธานอาจจะเป็นคนสมัยนี้ก็ได้เพราะท่านพูดเรื่องว่าเป็นนิทานมีตาคนหนึ่งเลี้ยงหลานอนอยู่ในเตียง วันนี้ตาคนนั้นเลี้ยงหลานตาปกติมีลูกส้มเขียวหวานหมือลูกให้หลานเล่นหลานก็เล่นพอดีเล่นส้มเขียวหวานส้มเขียวหวานก็หลุดมือลงไปพอดีหลุดมือลงไปก็ตกลงที่นั้นอันนี้เป็นเรื่องของตาจหญวันนี้มีผู้ไายอีกคนหนึ่งมีมีคนคนหนึ่งจะหาวิธีเรียนเป็นขโมย โดยไม่ให้ถูกจับขอกุณอีกวังเราจะเอาเป็นวิธีหาวิธีละโดยไม่ให้เจ้าหน้าที่จับและไม่ให้เจ้าของรู้อิสะด้วยตามปกติคนออชอบขโมยของคนเนี่ยไม่ให้คนอื่นเห็น เ, ออเมื่อคนอื่นเห็นก็เสียซื้อเสียเสียถึงเขาจับไม่ได้ก็เสียซื้อเสียเกียรถ้าหากเจ้าหน้าที่จับก็ต้องติดคุกตาาิตลาอาป้ายขายหน้า ก็เลยไปหาอาจารย์ที่คนเคยสอนวิธีรักไม่เจอเลยวันนี่คนลงบ้านไปวันนี้ี่ยสมมุติอย่างที่พวกท่านมาวันเนี้เนี่ยมาเรียนวิธีรักเดินไปเดินไปก็เห็นบ้านหนึ่งบ้านก็บ้านคนนั่นก็เป็นคนนักเลีงโตคนนั้นเป็นนักเลีงโตเคยลักมาแล้วไม่เคยถูกจับเลยก็เลยขึ้นไปบ้า น, น, นยายตาคนนั้นก็พาหลานเล่น พอดีเข้าไปแล้วก็ไปไปนอนใต้เตียงนอนอยู่ใต้เตียงของตานั่นะพ่อตาก็ลองเพลงกับหลานเล่นพอดีหลานปัดส้มเขียวหวานตกลงผู้ร้ายคนที่กำลังขึ้นไปลักของคนหาวิธีจะทำยังไงเขาจะมาเอานี่เขาจะเห็นเรามเมื่อเรา ไม่เอาลูกส้มเกี๊ยวหวานลูกนี้ออกไปเขาก็ตรงมานี่จริ ง, รงๆก็ต้องเห็นเราวันนี้ตาคนนั้นก็รู้สึกทันทีรู้สึกว่าผู้ร้ายคนนี้เขาเป็นนอนอยู่บนเตียงเราเนี่ย เ, รเพราตาคนนั้นเป็นนักเลงโตเคยเป็นนักเลงโตไม่ว่าเคยนับเป็นอาชีพเลยไม่เคยเจ้าหน้าที่จับและเจ้าของก็ไม่เคยรู้วันนี้ก่อนลองเขียนอาชมาลืมนะผมลองเขียนเนี่ย พอลองให้ฟังตั้งแต่มื่เป็นเด็กจําไม่ได้พอาะเลยพิกสุ่มเขียวหวานออกมาข้างนอกพอดีพิกซุ่มเขียวาาหวานออกมาตาพอลองเียนออกมาเถิดอย่าซ่อนตัวอยู่ที่ตรงนี้อะไรท่านพูดไปหลายเรื่องจำคนคนที่ไปเรียนักเนี่ยก็ เ, เลยรู้เออเขาเห็นเราแล้มั้งแบบนี้คิดละอายในใจเราจะทํำยังไง คนนั่นคนเรียกให้ออกมาตาคนนั่งบอกให้ให้คนที่เป็นนอนใต้เตียงออกมาออกมาดูคนนั่งก็เลยคนไม่ไหวก็เลยออกมาออกมาก็เลยมาถามเพือมาเพื่ออะไรมาลักของลักกี่ครั้งแล้วไม่เคยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่สุดจะเรียนเอาไปลักของที่ไหนจะเรียนลักของเป็นอาชีพจะไม่ทําการทํามำจะลักของกิน โอ้เนี่ยทาไมเข้ามาให้เจ้าของบ้านเขารู้จะลักของเขาใดเนึกว่าเจ้าของบ้านจะไม่รู้นห็นันเรื่องนี้หน้ามาเล่าให้ศกเราเนี่ยพ่อเรามาปฏิบัติมาก็เลยจับพ่อลงที่มาเราใพอดีตาก็เลยพูดกับคนนั้นว่าถ้าเธอจะลักของต้องมาเรียนกับสันสันเคยลักของมา ไม่เคยให้เจ้าหน้าที่รู้จักและเจ้าของบ้านก็ไม่เคยรู้เอ้าตัดสินใจลจกใักจะไปเย็นคนนี้เอาเย็นนี้ก็ต้องไปวันนี้ก็เลยสมมุติเย็นวันนี้ก็ไปเลยไปก็พาไปเข้าห้องลานทองคนจีนนะเนี่ยทุกภาษาเรียกคนจีนคนจีนไว้ผมคนจีนชอบไว้ผมผู้หญิงผู้ชายอาจจะตัดผมก็ได้ตามปกติเตรียมนอนมีสองคน ผู้หญิงเดี่ยวหัวมีนอนด้วยกันนอนด้วยกันที่เดียบวันนี้พอดีคนนี่ก็เข้าไปคนหัวหน้านี่เป็นใครเปิดประตูเข้าไปเลยเปิดประตูเข้าไปแล้วกับปิดไว้เปิดเข้าไปปิดไว้ปิดไว้แต่ว่าไม่ได้ปิดตะกอนร็จปิดตะกอแต่ว่าให้ออกได้แต่ไม่ให้คนอื่นมองเห็นสมมุติว่าเราจะเปิดเพียงไม่นอนสั้นทีแรกเปิดเข้าไปได้ ชั้นที่สองเปเข้าไปได้ชั้นที่สามคือมีตู้เล็บ <c oughs> ู้เย็งกับคนจีนนอนอยู่โต๊ะอย่างนี้เนี่ยเสร็จตู้นั่นมันมันนี่ว่าหีบมีทองคำเนี่ยเอาหมดเลยคนนี้เอาหมดเลย ก, ก็ซุกให้คนที่ไปเรียนนี่เข้าไปนอนไหนกันเลยพอดีซุกคนที่เข้าไปนอนกดูมันจะเป็นที่กําปั้นพอดีเข้าไปนอนขนาดปุด๊บกัดใบแย้มนอก พอดีอัดประแจ้างนอกร้านแล้วคนนั้นเอาของเขาขอาของคำนี้มาเลยเอานี้มาเอานี้มา น, นี้มาคนนี้ก็นอนนั้นคนเดียวนอนอยู่ในในที่คิดไม่ออกนะทีนี่ตายปูทีเนี่ทำไมให้เขาสอบกับเราแล้ว แ, แม้เหล่านี้มันเดียรเอากันยังจริงจังเรียนเนี่ เ, นเรียนบทเรียนอันนี้คือนกันที่เรามาปฏิบัติธรรมะอยา่าเพิงเรียนไป ที่วันนี้ตามปกติคนไม่มีทางออกก็ต้องคิดึดอัดใจอึดอัดคิดนะถ้าที่จะทํำยังไงแล้วอจะจะออกได้คิดนาะนพอดีจวนสว่างขึ้นมาแล้วตามปกติคนมันตื่นตื่นก็เลยเราจะทํำยังไงมันดูจะหายใจแรงหรือสอบไปอาจจะทําอย่างนี้ก็ได้ทํจำิีทางผู้หญิงก็ตื่น ตื่เขาเลิกปลุกสามีที่เสียงอะไรในตู้เปิดในในหีบเราทุกวันไม่เคยได้ยินก็ผู้ัวก็เลยมาเงี่ยงหูฟังเสียงอะไรดังคนหายใจมันดังแล้วทางผู้เมียเขามาฟังด้วยกันแยกก็เกียมตัวเลยนนเกียมตัวเราจะทำยังไงต้องไปเ็ามาเปิด ต, ต้องมาเปิดดู เรียกอะไรกให้กปรเจกต์โเจกต์กตามปกติเนี่ยมันมีกปรแจเปิดเปิดแล้วมันต้องมีที่กําปันมันต้องซุกไปซุกมาซนะุกไปซุกมาดังก๊อกคนนึงก๊อกครั้งไม่บรรลุจกักพอเด็เปิดขึ้นคนนั้นสอโผล่ออกมาทันทีเลยโผล่ออกมาคนคนจีนเนี่ยเป็นผู้หญิงทั้งสองคนในมองนั้นตื่นเลยตื่ว่าไม่นผี ก็เลยหลบตัวได้ออกประตูได้คนที่เป็นอาจารย์สอนไม่ได้ปิดกุญแจแต่เพียงเปิดเข้าไปให้เปิดให้แต่ปิดไว้แต่เปิดไม่ได้ปิดกุญแจคืออย่างที่เปิดได้น้อยพอดีแล่นออกมาโควิดได้พังตัวนี้ออกไปได้พังตัวที่สองอกไได้พังตัวที่สามไปได้คือไม่ได้ปิดกุญแจเพียงเตะปิดไปได้น้อยตัวพอดีพอไปดีบออกกันทีเอาไปเอาออนทีเอาออกกันทีทีสามทีออกไปกเลยตัด พี่ว่าจะสอนผมเป็นนักเลงโตทำไมไปหักหลังผมเอาหักหลังทำไมพี่ว่าจะไปสอนผมให้ผมเป็นนักเลงไม่ให้เขาจับตัวได้ไล่ตัวทันอ้าวเธอทำไมพูด่างนั้นก็ฉันสอนให้เธอแล้วเนี่ยสอนทำไมก็ เ, เอาเธอไป น, นอนไในตู้ในหีบนั่นถ้าเธอไม่มีปัญญาเธอจะออกมาได้ไหม อันนี้ก็เือนอาจที่เราเรียนกับครูวาอาจารย์นั้นสําเด็จไม่ได้ถ้าหากคนในเรียนวิปัสนาขตามเรียนอะไรก็ตามจะอยู่ในตออย่างที่พูดแล้วเราอยู่ที่สารานถ้าไปติดปุ่แย่ข้างนอกถ้าเราไม่หาวิธีออกแล้วไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะคนได้ดัง น, นั้นคนนั่นก็เลยต่อว่าต่อเทียมกันไปในเรื่องก็ดีแล้วเนี่ยฉันสอนเธอแล้วเนี่ย สอนให้เธอเป็นนั่งอยู่ในหีบเธอออกมาได้เพราะใครเขออกมาได้เพราะผมที่คุณทํายังไงผมก็คิดไปคิดไม่ออกแล้อนเอาสอบอะไรเนี่ยมันขันใจแดงครับมาเปิดมาเปิดผมก็ออกมาได้เพราะเธอก็ต้องจะเป็นรักของผมก็ต้องเรียบร้อยอย่างนั้นต้องมีผมคิดต้องมีสติปัญญาลิบสันสอนเธอแหละเพียงคําสอนนั่นมันเอาจริงเอาจริงไม่ได้คุณต้องใช้สติปัญญา ก็เลยไม่ได้มีเรื่องได้ผลนักก็เลยเป็นนักเลงหาคิมมาหากินมาตลอดมาไม่ถูกจับเจ้าหน้าที่ก็จับไม่ได้เจ้าของก็ไม่เห็นเพราะคนสอนนันกกาเป็นนักเลงโตมาแล้วคนนี่ก็เป็นนักเลงโตมาแล้วดังนั้น <c oughs> เรามาพูดธรรมะ ก, การศึกษาเล่าเรียนพวกคุณคงจะได้เรียนอย่างน้อยต้องปริยาที่มานี่นะ ยกพ่อเขาจะได้ปริญญาทั้ง <Jub> น <ilee> ั <use your 34 use> ้นใช่ไหมไม่้ไม่เท่านั้นนะปี .4 ป .4 เรียกรัาปริญญาคงจะมีมากนะแล้วกับมัธยม6มัธยม8จะคงจะมีน้อยป .4 คงจะมีแต่คุณหรือยังไงคับาคุณเรียนท่านไหนม .6 คุณเรียนท่านไหนม .8 ม .8 เอาคุณเรียนทานไหนปีที ปริญญาตีเอาหนูเรียนท่านไหนปริญญาโทเอาหนเรียนท่านไหนแน่ยมีแต่ปริญญาทำงา น, นส่วนมากดังนั้นเรียนปริญญาตีปริญญาโทถึงปริญญาเอกก็ยังมีขขงเพาะเลือกอะไรอันนี้่ก็การหลักวิชาทางเรียนคณิตดีนั้นเป็นทางคณิตดีมีแถมทีเท่านั้นเหมือนกับครูสอนให้ไปรับนั่นเอ ถ้าหากเราจะไว้ อ, อกไว้ใจกับการสอนนั้นแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้อาตมาเองที่ได้ได้ยินจากพาอ้ออาตมาเลาประสิษฐ์โอวาไม่คิดอย่างนี้เลยไปปฏิบัติธรรมะเมื่อจะรู้สึกก็แมงปองตกแตยขาอย่างไรข้าวนั้นอาตมารู้จักเรื่องทุกข์แต่ทุกข์นั้นท่านหวาทุกข์ในเรี่องสัย คือทุกครังอนิจจานัตตาทันสอนในขณะที่เรียนทุกขังคนไม่ได้อนิจจงแปลว่าเป็นต่างธรรมชาติอนัตตาเนี่ยวัดบังคับปัญหาไม่ได้ทันสอนเนี่ยบอกผมงอกผมงอกฟันหักเนื้อหนังไม่ปกติทีแรกมันเพ้งมันตึงนานๆม า, าต้องแก่มาก็ต้อง แห้งเข้าแถวเข้ายอดยานไปไม่ปกติท่านเรียก ว, ว่าอนัตตาอันนี้คำสอนของครูบาอาจารย์สอนมาแล้วบางคนบอกว่ า, วานั่งนานเจ็บหลังเจ็บเอวนว่าเจ็บหนอเจ็บหนอปวดหนอปวดหนออันนี้นี่ก็มีสอนมาก็ดี ตามปกติที่อาตมาได้พิสูจน์ตัวเองอันนี้จะหาว่ากล่าวปวดอุตริมนุษยธรรมก็จําเป็น ก, กน็ควบคุมจริงให้วัมอันนั้นน่ะมันมันเข้าใจน้อยตามปกติคนเนี่ยว่าทุกทนไม่ได้ทุกไปว่าทนไม่ได้ทนได้ไหม หามจะให้คนอื่นไม่ดา่าเราไม่เมตตาเราทุกเจ็บหัวปวดท้องคนได้ไหมทนไม่ได้จะถืออันนี้เป็นทุกไม่ได้อาตอมาเข้าใจปุถุเยววาทุกเจ็บหัวปวดท้องจําเป็นต้องไปหาหมอทุกเจ็บหลังเ <c oughs> จ็บเอวถ้านั่งนานมันเจ็บเอวก็ต้องลุกทันทีย้ายมันนั่งอันนี้ก็พัฒนาไม่ได้ไมันต้องเป็นไปจริงจริงตนี้ แต่เราจะแก้มันเองจะห้ามมาให้คนอื่นมาให้โกรธเราเราก็ห้ามไม่ได้เรื่องนี้เพราะคนด้วยกันอยู่ด้วกันทังสองคนสามคนต้องมีการทะเลาะ ก, กันบ้างอันเนี้เมื่อมีการทะเลาะ ก, กันเราพอใจไม่พอใจมันเป็นทุกข์อันนี้ก็ห้ามคนอื่นไม่ได้เราต้องห้ามทิ่เราพัฒนาได้ทุกเจ็บแค้นเจ็บขาเราก็เตี่ยนไป แต่เราพิจารณาว่าเ็นทุกจริงๆก็เปลี่ยนได้ผมห อ, อกฟันหักเราจะพูดไปยันี้ก็ได้อ น, นั้นมันเป็นอสุภะทั้งสองหลายเรื่อง้าจะพูดอย่างนี้อันนี้เป็นคำพูดในตำราเหมือนกับเราอยู่ที่ในศาลานี้เองเราออกนอกสาลาไม่ได้ตอนที่อาตมาที่จะออกนอกศาลานี้ได้อาตมาก็มาพิจารณาเนี่ยก่อนตกเส้ยขาอือ แมงปองก็เป็นลูกขาเราก็เป็นลูกแมงป่องก็มีใจเราก็มีใจแล้ ว, วคนทุกคนเกิดมาต้องมีกายกับใจแมสสัตว์ก็มีาการใจอาตมา ก, ก็เลยเข้าใจอย่างนีน้แต่ว่าในขณะนั้นเข้าใจไม่แก้ใสคําว่านิพพานแบบนี่ยอาตมาเข้ามานิดนึงคำว่านิพพานนี่ตายแล้วจึงเอาเราปรารถนากันวัดสุดที่นานวัตเมธานะังอาสวาะวะขจาวังหโถตุ ถ้าพระเจ้าทำหลายยินดีในทางการถวายของข้าพเจ้านี้จงถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะของกิเลสเครื่องดองตัณหาข้านกล่าวว่าอนิทานอาตมาพูดไว้เรื่องนีออ้ข้ะอาตมาเป็นคนนักทำบุญทำบุญเก็งอาตมาต้องการนิทานคุณได้ที่อยากไปนิทานอาตมาเป็นเด็ก บ, บ้านอยู่ไกปวัดก็ไปเห็นฝาผนังติ๋ คนสมัยนั้นแต้มเป็นทุกภัยติดไว้ตามฝาผนังศีลบ้านอาตมาเมื่อคนในทำทุจริตเรียกว่าคนผิดศินผิดธรรมลิ้นเจ้าหัวลิ้นไอจัวลิ้นหัวคนอื่นเนี่ยอาตมาพูดจริงนั่นเนี่ยเรียกว่ารักสู้สู้สาวอย่างนี่ทั้งหมดเลยคนจะบวกนี้ตายไปต้องไปตกนรกพอดีไปตกนรกกัจจายุพิบา น, นเอาโยน ล, ลงนรกเลย พอเดโยแล้วน ก, กมีมีมีแหลมเนี่ยสักหัวลงไปก็จมลงไปถึงกง้นหม้อน้ามันเดือดขึ้นมาก็ฟูขึ้นมาเคยถ้าจะมาพูดยานนี้พอที่จะเข้าใจไหมมันฟูขึ้นมามันฟูขึ้นม า, มนนมาพอเลยวันนี้ก็เอาหอกสักหัวลงไปก็จมลงไปสามขักก็ฟูขึ้นมาฟูขึ้นมาก็มีมีแผ่นเด็กแผ่แผ่นเด็ดใหญ่ๆเนี่นยมันแดก ก็เอาผู้หญิงมาทิ้หมอนที่ตรงนี้ก็มีเสื้อบรรทัดตีลงไปถ้าเป็นผู้สายก็เสื้อบรรทัดตีลงไปเลยบรรทัดเคยรู้ไหมที่บรรทัดบ้านนรสม า, มาเคยเรูย้ไหมต้องมีเสื้อพึ่งยินดีก็ต้องตีสิติดปักตเจี๋ยเหมือนกับไม้ถ่อไหว้นะมันติดกับไม้หรือก็ดัดดัดพอออกขวนหักไม่ทากไม้ขวนก็ต้องเป็นเหล็กเหล็กแดงถ้าคนนะาก็หากเหมือนก็หากไม้ คำว่าอาตมาว่าถากไม่เข้าใจไหมฟันไปฟันไปให้ได้ได้กับดีดคอมมันทัดเลพอดีมันตรงและบรินเนีตตรงแล้วเอาขึ้นต้นหิว้วเวลาขึ้นต้นหิ้วนะหนามซองลมหมากัดทางใต้เป็นหมากัดปีนขึ้นไปหนามซองลมพอเดีขึ้นไปถึงที่บนแล้วไปอยู่ที่บนนะ้หนาต้นหิว้วจะไปซองขึ้นบนนี้แห้งขาทขาสับสีสาทีดลงมาอยู่ไม่ได้เขาต้องลงลงกับหนามหิ้วก็ปักขึ้นไป อาตมาสลดใจเรื่องนี้อาตมาจึงไม่กล้าทํำโกมผิดตั้งแต่ น, นั้นมาอาตมากลัวปวดตะลุกวันนี้เมื่อถึงกําหนดแล้วก็ลนลงมาเท่นัะเอาไปโยนลงนรกอีกแล้วเอาไปโยนลงโลกก็เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาก็มานอนแขนแบบแบบน็งแดดๆก็มาตีบังคับจิตภาพภาพใจมันซื้อตรงจริงๆนี่แี่ะเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาก็มาเป็นเตะ ป็นปฏิยาสารเป็นอัุษรกายเป็นน้อยอันทันย่างเนี่ยที่พ่อแม่เคยเสอนมาเราก็เห็นตามรูปภาพนั้นเห็นจริงๆเห็นด้วยตาเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นฝันนาเห็นด้วยตาเพระบ้านอาตมาเขาแต้มรูปภาพนเขามีคนสร้างแต้แต้เป็นรูปจังนะเป็นแถวไปเลยเมื่อมาบวกกันเลยมาศึกษาแล้วครับอยากคนพุกความจริงอาตมาอยากเป็นพระเรี่ยว พูดตรงๆเนี่ยอยากเป็นพระอาญยบุคคลคำว่าพระอาญยบุคคลเป็นอย่างไรเราไม่รู้พระโสดาคำว่าผู้ว่าโสดาเ<อ>นี่ยเขาโทษถูกใจที่สุดชอบที่สุดอยากเป็นพระโสด า, า, ร า, า, า, าพระสักกีธาพระนาคาพระหลานแม้ท่องทานอยากเป็นจริงๆอยากเป็นพระเจ้าอยากเป็นพระประเกษคิดไปร้อยอั น, อนเรื่องอันนี้เป็นผมคิดขึ้นมาเป็นผมคิดสมบัติคนบ้าไม่รู้ นีู่กคงจรินไปเนะเมื่อมาทำกรรมฐานอาจารย์ก็สอนให้รู้จักนิมิตว่านิมิตต้องเห็นสีเห็นแสงเห็นอะไรต่างๆในสมา น, น, นัเป็นเป็นเหน่นน้อยก็ท่านให้เอามือไปรูปเอามินหม้อเคยรู้ว่มินหม้อที่มันดำใบ้านอาตมาก็ทาตัวด้วยไฟไม่ใช่ได้ไฟฟ้าก็อเอามือไปแตงเนี่ย ถ้าเห็นเสือเห็นผีเห็นเทวดาอะไรมาก็ตามตัวเอามือนี่แปะหน้าทรามยานลูกนี้ท่านกนก็จำได้นั่งแต่ก็มีแต่หลับหลับบางครั้งบางคราวก็คิดไปเห็นนั้นเห็นนี่ไปอย่างไม่มีปัญญาแต่หลับได้วิธีนั่งอาตมากดนั่งอย่างนี้โทษนะทําให้ดูนะตองทำจมั น, มนเป็นขาเด็ก ขากระตน้มันขัดกัะตินีมกระติกัไม่ช่างหมดเลยไม่ใหอยางนี้ขอานี้ไม่ได้ขนวันนี้มันงวดวันนี้ขามันก็ไม่ออกจากกากติกกันนี้เลยมาทางนี้มันก็ไม่ออจากกากระติกกันเลยหลับเลยไปทางนี้มันก็ไปไม่ได้ก็ไปยางนี้มาทางนี้มันก็ไปไปได้ก็กติกกันนี้ทั้งเด็ดเลยหลับจะมานอนหลับไม่เตนหนอนนั่งนันงได้ วิธีเหล่านี้อาตมาทรมาพุทโธสัมมาอรหันนับหนึ่งสองสามทองยุกดูลงหายใจเข้าออกสั้นยาวลมหยาบละเอียดอาตมาทาได้สงบนั่งสงบได้สิบสองโมงก็ได้ยี่สิบสี่โมงก็ได้นั่งยังเนี่นแต่เมื่อเลิกละอยากสินเหล่านั้นแล้ว ความดีใจเสยียใจมันยังีรู้จักวิธีสอนคนนั้นคนนี้ได้แต่ความดีใจเสยียใจอันนี้แหละจะมาคือไม่ว่าจะอบก็าหามาจากนั้นนะหามาจนอายุ46ปีทำกำากรรมฐานมาตั้งแต่ตัวอายุ46ปีถึงอายุ46ปีช่วงอาอายุ สี่สิบห้ามาถึงอายุสิบเอดปีนี้อาตจะมาอยู่ในโคนอยู่ในในห้องมืดอยู่ในโคนอยู่ในเรือนจ mm ํา hmm. เมื่ออายุสี่สิบหกปีอาตมาออกนอกถุกออกนอกเรือนจําออกจากโคนได้ไม่อยู่ในโคนไม่อยู่ในท้ายของไข่ทั้งหมดเลยจะอยู่ในท้ายของพระเจ้าคนเดียวนอกจากพระเจ้าแล้วเราไม่เอาทั้งหมดเลยเข mm ้าใจอย่างนี้อาจารมา ที่นำมาล่ให้ฟังวันนี้ก็พูดด้วยความจริงใจเพราะได้รับอิมนล์มาแล้วก็ต้องพูดด้วยความจริงใจวันนี้ก็ต้องเป็นวันเปิดโอกาสวิธีปฏิบัติธรรมจริงๆเรื่องอื่นนั้นแก้ทุกได้น้อยแม้ทาบุญให้ทานรักษ า, ำกำาสิงทํากรรมฐานเจริญปัสสาก็ตามมันเป็นธรรมที่สมบูรณขึ้นมา คำว่าวิปัสสนานี่ตามตัวหนังสือเขาพูดอย่างว้วิปัสสนานี่เป็นว่ารู้แจ้งรู้จริงต่างเอาร่วงภาวะเดิมไว้แต่บัด น, นี้เรารู้กับตำรามันก็เป็นรู้จำมันไม่ใช่รู้แจ้งรู้จริงมันก็รู้จักรู้จกมันก็ยังไม่พูกการรู้แจ้งรู้จริงาารก็เป็นวิปัสสนาไม่ได้ถ้าเราไปกลัวตำรายุคเป็นวิปัสสนาไม่ เมื่ออาตมาพูดในขณะนี้อาตมาไม่กลัวตำานาไม่กลัวตาาไม่กลัวจริงๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่กลัวจริงๆอาตมาอาจจะพูดแนวตางัแตมาไม่กลัวแต่เคารพตำรานั้นบางทีอาจจะแปลผิดก็ได้แปลผิดก็ได้ให้พวกท่านทั้งหลายพิจารณาเอ ง, เอง ได้ดีนะได้มีพ่อคุณอายุ ก, กีปีคุณพ่อคุณยังหนีตายไปจากคุณคุณอนยุได้กี่ปีเอมยี่ได้สิสิบสามปีนะเอาเพียงสี่สิบสามปีนะพ่อคุณต้องสอนคุณหลายเรื่องนะคุณจาได้ไม่คุณยังไงมากทำกี่แน คำที่แรกที่ถุกพอพอคุณแน่แนวคุณสอนคุณครัค้งแรกที่ถุกนี่คุณใจในาการเป็นอยู่รู้สึแล้วอีกคำที่สองตอนอย่างไรพูดอยู่ที่ไหนคุ้อากันอย่างนี้บ้านนอกคุณ้านนอกเวลาท่านพูดนั่นะเวลาท่านพูดเวลาเท่าไหร่จำได้ไหมจ น, นเป็นกํางจได้เป็นกลางแล้วตอนนั้นเป็นวันอะไร เป็นบัตที่คือบัตรสองสิบยังไม่ได้ยังสีส่สิบปีน่าจะไม่ได้นะเอาคุณพ่อแม่คุณมีไหมปัจจุบันเนี่ยเมื่มอพ่อคุณแม่คุณเรียกว่าตายนะคุณอายุกี่ปี จำนวนเอาคร่าวๆ ไ, ได้คุณอายุกี่ปีถามอย่างนี้นะตอนตอนเ ย, อยี่ว <23. S 1> ันไหนยี่สิยิบสามประมาณยี่สิบสามยี่ิบสี่ปีนี่นะแลี่พ่อคุณเคยสอนเรื่องอะไรให้คุณบ้างคำแรกที่สุดจาได้ไหมจาไม่ได้เพียงยี่สบสามยี่สิบยี่สิบีปีก็จะจําไม่ได้เอ้าคุณพ่อคุณสอนเรื่องอะไรที่แรกที่สุด พอเขาเห็นตอนเกิดอย่างเงี้เเต็มเมื่อคุณจําได้จะจําที่ไหนก็ได้น่ะเี๊บอกคําแรกที่สุดพ่อพ่อคุณสอนคุณจํามได้จำไม่ได้หลายเรื่องอันนี้แหละเพียงแต่แบบไม่ถึงร้อยปีเราต้องพิจารณาเรื่องทางพันธนายที่ที่สองอามที่ที่สีที่้าที่เราจะลึกเรามาเรียดหนังสือเนี่ยนักทำซีนักทำโทนักทำเอฟใครๆก็ตามที่พูดนี่ไม่ได้ประจบตีนะ คือพูดให้เรามีสติปัญญาให้เราเอามาวินสจฉัยตัวเราถ้าเราไม่มีสติปัญญาเราไม่เอามาวินิจัยเราก็จติดอยู่ให้ตำนาม น, นะอาจารย์มาคิดผมคิดอันนี้มาเนี่เราเสื้อู้าจาย์เนี่ยเราก็ติดอยู่ในคําพูดทันที และบรรยุคุบาอาจารย์นั่นก็ยังไม่รู้มีวิธีสอนคือคุบาอาจารย์ที่สอนเราเนี่ยทั้งก็ไม่รู้ทั้งก็เพียงจํามาจากตำนานตำนานนั้นติดถูกท่านก็ยังไม่รับรอง mm hmm. เมื่อท่านไม่รับรองและบางทีท่านอาจจะโกหกเราก็าได้ดังนั้นเนื้อวิธีที่ทํามานั้นถูกทุกอันไม่ใช่ติดอาตมาไม่ได้ว่าถู ก, ท, กทุกอันแต่อาตมานั้นอยู่ในกลม เมื่ออาตมาถอนตัวออกจากคนเออมันก็นดีแต่ว่าคนอย่างนั้นสอนอะไรกันพ่อเขามีคนมรู้อย่างนั้นก็ต้องสอนอย่างนั้นอย่าไปตำหนิเขาไม่ได้เพราะเรายัางโงูอยู่ใ น, นเอกเมื่อเราโงูอยู่แล้วเราจะสลาดได้ไหมสลาดไม่ได้เพราเราย่างงูอยู่ในเอกเมื่อเราสลาดแล้วาจะงูไหมเราสลาดได้จะได้ง่ทําไมเมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงความเร็วเราสลาดแล้ว เราศาสเนี้ยจะไปเอาคําพูดของคนที่ผู้ปิดมาไหมไม่เอาทําไหมของผู้สืเรื่องของเขาไปเป็นเรื่องของเราเราก็รู้อย่างนี้อาตมาจะกล้าเยียดยันรับรองคําพูดของตัวเองไปตรงกับคําสอนของพระเจ้าจึงสามารถจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันเอาไว้คําของคนโบราณท่านสอนเอาไว้ยอมเสียสละทรัพย์เพราะไม่อยากตายยอมเสียสลาดทรัพย์เพราะรักษาอวัยวะคือรัก บัด น, นี้ยอมเสียเอวัยวะส่วนใดส่วนึงเพราะเรารักษาที่นี่เอาไว้แตมือเราอะไรแพร้ขาเราอะไรอะไรมันเป็นพูดเป็นอะไรเป็นมะเร็ปงปวดตับถ้าหมอบอกว่าตัดก็ต้องตัดเพราะเรารักษาไม่อยากตายาบันนี้ถ้าหากว่าจําเป็นหรืจะตายก็เป็นต้องรักษาคําพูดที่มันจิง น, นี่เอาไว้ธรรมาจึงยอมเสียสลาแม้กระทังทีวิตถ้าได้พูดตรงิง ไปที่ไหนแต่มาสองบคุยอย่างเดียอยากพูดโกหกจริงและวันนี้เราจะพูดโกหกจริงแนละ้วคนไม่ชอบพูดโกหกจริงให้ฟังคนไม่ชอบอันนี้นหะปัญหาที่เราจะแก้ปัญหากันทุกวันเนี่ยพูดคกหกจริงคนไม่ชอบแต่ยังไงคนก็นต้องการโกหกจริงอยู่นั่นเองเมื่อพูดคกหกจริงให้ฟังทําไมจึงไม่ชอบพอเพราเรื่องอะไรเพราะกิเลสเนี่ยมันไม่ชอบมันไม่อยากให้เราไั้ เมื่อเราฟังคําพูดที่จริงเน่ยมันจะไม่มีทุกมันกระจําเป็นทุกแล้วต้องบังคับเอาไว้ทุกแล้วจะมีอํานาจเหนืหอชีวิตของเราเมื่อคนเราชีวิตนั้นอยู่ด้วยทุกแล้วจะมีประโยชน์ไหมในชีวิตนั้นคงจะไม่มีประโยชน์ขนาด น, นี้คุณดังนั้นตัวหนังสือเดี ย, ยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าจะไปทําลายคําพูด น, นั้นนะที่อาตมาพูดนี้ ไดเพียงถามคุณอายุในเกมสี่สิบปีห้าสิบปีจำให้ได้พ่อเราสอนครับอันนี้ต้องสี่ร้อยห้าสิบปีคิดเป็นระยะชัวงอายุแปดสิบปีมีขี่มีขี้ช่วงคนตายไปเราคิดเอาเองไหมอายุอายุกี่ปีแล้วจำได้ไหมคงจำแน่นอนที่สุดแต่ทุกคนคงจะจําไม่ได้จะมาเองประจําไม่ได้เรื่องนี้ ดังนั้นการที่เราจํามานั้นดีแล้วแต่อย่าเพิ่งเอาเพียงแค่นั้นต้องทําให้มันดูแจ้งดูจริงอย่าเอาเพียงรู้จำดูจับก่อนที่อาตมาจะรู้เรื่องนี้จะรวบลัดตัดเด็กคนสั้นไม่ต้องยาวรู้เรื่องรูปนามรูปธรรมนามธรรมรูปโลกนามโลกโลกมีสองอย่างจะพูดอย่างเดียวแล้วก็รู้ทุกขังรู้อนิจจังรู้อนัตตา รู้สมมติสมมุติทุกแง่ทุกุมที่คุ้จักทั้งหมดเลยรู้ศาสนาศาสนาเนี่ยจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามเนี่ยแต่วยวให้รู้ทุกทัศศาสนาก็ให้รู้บาปก็ให้รู้บุญก็ให้รู้เมื่อรู้สิ่งนี้อาตมาตอนตอาตมารู้อย่างนี้พอรู้แล้วอาตมาก็หายพอรู้แล้วก็ต้องหายนะี่ะไม่มีบาดแผลนะเดี๋ย ว, วไม่เก็บ้ตำดำเขียว ในขณนะนั้นอาจารยเรียนมนต์ปมปืนปมผมีปมคาเรียวขัดไลผผ่ผีปอบผีทายอะไรที่ไหนคนเรียนเนี่ยเพราะอาจารย์เป็นคนสอนใส่หนังบางวันอาจารย์สอนให้ทั้งหมดเลยพขาเรียนกับอาจารย์อาจารย์ก็เป็นน้าเป็นลูกเยวันหุ่นน้านเขาคือลวงน้าหลวงน้ า, นนานเป็นลูก แม่อัตมาเนี่ยเป็นลูกพี่ที่สาวหลวงนาเป็นลูกน้องชายของนิวัว่ามันมันไม่ใจกันนะแม่อัตมานีเป็นเป็นลูกพี่สาวหลวงนาเป็นลูกน้องชายเมื่ออัตมาเป็นเด็กเด็กระเดียนนะว่าถ้าประจับได้ปวดเลยท่านไม่ต้องกดอะไรมากนะสมัยนั้นไม่มีอุปสรรคอย่างนี้เอาไปแทะโอนเหมือนก็บปวดเป็นเทนเลยแหละนี่เป็น มัวทะนูครูน้าน้อยทั้งสอนโอ้หท่านสอนมณงคงในท่านสอ น, น, น, าส อ, นอาตมาจําได้แต่จะเล่าสุขสทข่านกลมกุรีโทรีหอกูณีแพทยคลองขั้งพาหน้ากแก่นปันหีตีนแก่นปันเหล็กขนแข้งท่อหนามขาขนขาท่อขนเม่นเราจะเต้นไปได้พอ้อยตศผันว่าพญามณ์ทั้งหลายต้องมาอ้อ ม, มาแฝงเราทั้งหมดอาตจจมาสํานึกเราเมองปอไปแล้วมาลูกปองอไม่มีแค่เล็กแค่ต้อย เป็พอรธรรมดาธรรมีากระโโตกถ้าเราเขาวันเราตายแล้วมันจะเต้นไปได้ที่ไหนคนมันเต้นไม่เอินสองตอกนะสองเต้นแต่แรไม่เกินสี่ตอกเอ๊ะน้่มันสมมุติเนี่ยคนมันติดสมตดสมติคือจิตตำนาติตครูจิตอาจารย์นี่มันเป็นอาตมาเลิกเลยพูดเรืงไส่หนังให้ฟังเอาถ้าจะไส้หนังเขาต้องเอาพลองลองคบดูต้องพูดอย่างนี้ เอาหนังไปฆ่าคนเนี่ยเขาว่าใส้หนังบางฝันที่คนตายอาตมามันเมื่อได้ของจริงมันต้องกล้าเที่คนนี่แหละตนเป็นที่พึ่งของตนไม่ต้องไปพึ่งผีไม่ต้องไป พ, ไไปพึ่งเทวดาที่สุดพระพิฆเนศขอไม่ยอมพึ่งผีอย่างอตมาอตมาออกจากผมได้นหมผมพูดนะถ้าเอาหนังข้อท้องคนเอาข้อท้องผมลองดูผมย่อมเสียสละให้ถ้าก็ไปทําฝุกเศษคถานะ มันเข้าไม่ได้ได้สามวันก็ยังไม่เอาเข้าได้ห้าวันก็ยังเอเข้าไม่ได้เอ๊ะทำไมครับมันก็ยังเาเข้าไม่ได้คนะนทัดเอาเข้าวทองผมไม่ยากอาจรย์น้องูดอย่างนี้ก็ลงน้าเนี่ยไม่กลัวเลยทำยังไงเอาไปเผาไฟเอาไปต้มสะกที่เหลยเนี่วะอมบอนบาอาจารย์มายกอมบอนเคได้ยินว่ามบอน เอผักขี้เด็กมาแล้วกับหนังต้มไปเื่อยแล้วกับต้นข้าวผักเลยกินเข้าไปแล้วกินหนังอักเข้าไปในท้องแน่ถ้าจะเอาหนังเข้าทองผมนะ่ะต้องไปเผาไฟแล้วก็ตือพูบบ้านอาจามาต้องเอานังไปเผาไฟแล้วพุบนาน้ำอมกับพุกทุบกับข้าวเป็นบ้านเป็นบ้านก็เป็นต้นขี้เห็กหนูเข้าใหญนะ่ะคนทําบ้าน เมืนสุกเดิมเมืกิ้ได้สบายแล่เ อ, ออกทําเดิมไม่ได้ต้ อ, อ, องไปจรลากออกแน่นเทเดิมไม่ได้ท่านพอดูไม่พอใจแต่ว่าธรรมดานะลูกศิษย์อาจารย์ต้องพูดอย่งอางอ่านฐานคือไม่กลัวเนยะพูดไม่กลัวเลยปตมาเลิกเรื่องเบ็ดมนคุนคาถาผีเวดาปฐมาไม่กลัวจิตปตมากลัวภายหนกลัวอะไร กลในขณะที่มันโอดลุกขึ้นมามันจะไปฆ่าคนคนจะขาเราอ๋ออามาเข้าใจยังไเข้าใจตอนนี้ตอนแหลกเดินเดินจงกรมยาวหงยางยไปหงายมาทางเดินจงกรมประมาณจากตาปลาวยมีต้นมานอาตมาเรื่อมมะทันมะคุชานะต้นข่อยมันหลับกันเดินระหว่างล้มมันเ่ยล้มมันกลับไปกับ คล้ายๆคือน really? ีคนมาผักนันลูกเรศีแหลเอ๊ะอะไรมาถักนันอะไรหาผมคิดมันไม่เห็นเราไม่เคยรู้ผวมคิดเราเลยทั้งที่สอนในว่ามันคิดจากที่ไหนก็เลยมองหาผวมคิดก็ยังรู้เป็นเรื่องหนาพอดีมันคิดขึ้นมาลูกที่สามจะมารู้ต้นเหตุกำเนิดที่เกิดควุมคิดรับลองในจิตจิตตอนประมาณจากหกโม เดินไปเดินมาอาบน้ำจะไปถังมารก็เลยเดินเล่นเดินไปเดิรู้จริงจพอดีรู้เรื่องนี้แหละจะมาก็เลยรู้สมุทฐานตนเอตุําเนิดที่เกิดของทุกข์ความจริงทุกข์ไม่มีสมาร์กเข้าใจที่เราไม่รู้ที่ตรงนี้แหละมันยังมีทุกข์ขึ้นเข้าใจเนี่ยความโกรธไม่มีความโลภมันมีหลงนีเพราะเราหลงที่ตรงนี้ที่ว่าหลงไม่มีก็ได้ เราไม่เห็นที่ตรงนี้เราจะรูดทำไมพอเลยเดินเดินอยู<ม>่นะเดินไปเดินมาปรากดตัวเนี่ยน้ำหนักอาตมาร้อยกิโลอาตมาสมุดนั่นในขณะที่อาตมาเห็นกมที่อาตมาอาตมาสลัดได้อย่างน้อยที่สุดต้องหกสิบกิโลเบาแท่งกิคิพันธะพูดเต็มใจในขณะนั้นเรี๋ยวอาตมาถอนได้คนหนักแปดสิบกิโลเนี่ยเออเอาแร้วมนะโ อ, โอ ผมโลกผมดวงไม่ต้องมาแตกตเข้าใจไนะเออความกินแล้วโลกโลกรธงไม่ต้องเปรียบดวงอาทิตย์ไปเอตเวนีนเราเข้าใจว่าตเวนีนบุตควาจริงตเวีนไม่บุตมันทำทุกสว่างเต็มดวงเลยนี่ควาจริง ท, ที่ที่เราคิดในขณนะนั้นนั่นเนี่ย ถ้าคิดเนี่ยตะเวนเนี่ยมันสว่างเต็มดวงเราเข้าใจว่าฝ่ามือฝ่าบดตะเวนมืดตะเวนบท ม, ม, มันไม่ใช่ตะเวนบดมันไม่ใช่ตะเวนมืดเมฆหมอกเมื่ออากาศเป็นบางดวงอาทิตย์เท่านั้นเองเมฆหมอกจำนวนนั้นจะไป ก, ก่อดวงอาทิตย์ได้ไหมไม่ได้เอ๊ะทําไมโกนโกนมันเกาะใจเราได้ไหมไม่ได้มันมาบวกไกันมันมีบวกมีลบอย่างนี้เราคิดเราเราก็ดูกงคิดเลยเอ๊ะ ทำไมที่เราโกรธขึ้นมาน่ะมันวูบเดียทําไมสมมุติ น, นี่ที่เราอยู่ที่นี่แหละถ้าเราไม่พอใจในายกเห็นนกอมันเรียบปุ๊ทันทีคุณเคยมีไหมอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเป็นยังไงนี่คมเลวเของมาันคนที่เราไม่พอใจเราได้ยินเสียงมันมาน่ะแต่ยังไม่เห็นหน้าได้ยินได้เสียงกับหนักเลยสมมุติน่นหนักแล้วไม่พอใจกันทุกเดืนบางที เห็นหน้าขึ้นมายิ่งหนักขึ้นมานี่เป็นอย่างนั้นคนนั้นคนที่เรียกซื้อที่คนที่ไม่พอใจได้หรือุกขเป็นอย่างนี้เลยเป็นยังไงทุบแบบนี้แหละที่พระพุทธท่านสอนให้เราเอาัศนาอันนี้ทุบเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวนั้นนั่ ง, น, งนานต้องเปลี่ยนอันที่ไม่ต้องให้มันทรมานหรอกอันนี้ต้องแก้อันที่ไม่ต้องนั่งว่ะ ปวดเนอปวดเนาะมันรู้ไปไม่เอาแล้วจะ ม, มาอิเรียกจะมาเอาแกะมาทีนี้ไม่เอาเลยเพราะนี้มันตัวกับเปลี่ยนไปเลยาเป็นย่งไงเป็นรู้จักจริงๆตัวอิเรียบปเปตัวตัวอิเรียบปเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรามีสติกำหนดรู้ในอิเรียบป ท, ทั้งสี่คือยืนเดินนั่ง น, นอนและให้มีสติกำหนดรู้ ในอิทธิบทย่อยผู้อเอียดเคลื่อนไหวโดยวิธีตะกตา ม, มันเป็นโกลทุกอันนี้มันเป็นโกลทุกเรารู้อันนี้ก็แก้ถูกได้เพียงอันนี้ตอนกมทุกทางจิตใจเป็นอิทธิบทย่อยที่สุดไม่เคยดูควาคิดตัวเองเลยอายุสี่สิบหกปียังลู้ต้นเหตุของควคิดวันนั้นวันนั้นดูเป็นวันเป็นวันติดพังเมื่อติดพังตอนเช้ารู้เรืลุกนาะตอนเย็นมา รู้ความคิดจริงๆอาตอมาก็เลยกล้าได้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องกิดจังคำหนึ่งถึงพระพเจ้าท่านเอาขัดเอาขาตไปเสียงในแม่น้ำถ้าข้าพเจ้าจะได้แตสรู้เป็มท่าทหารฆ่าเปลี่ตายชายเิดิ่ได้จับทุกได้จริงข้าพเจ้าวางขันใบนี้หรือถาดใบนี้ลงไปน้ำนี ให้ขันใบนี้ทวนสะแสกระแสต้ น, ตนน้ำมาอันนี้พอ้อยกว่ายะกูบาจัางก็ล้อยกว่า ต, ตรงข้ามถ้าข้าพระเจ้าจะไม่ได้ตัดตรู้ข่ากิเลสไม่ได้เอาสนะทุกไม่ได้ข้าพระเจ้าวางขันหรือถาดไปนี้ลงไปในในน้นํานี้ให้ขันใบนี้ลอยไปตามกระแสของน้ํำผักอู่เขเลยเข้าใจว่าเป็นขันจริงๆเป็นถาดจริงๆ ใครจะปากเข็ดได้ปากเข็บไม่ได้ย่างที่เราอยู่ที่เมืองนนทเนี่ยไม่ไม่ฟังอาตมาพูดก็ได้แต่ทดลองก็ได้กงมีแล้วออกขันเอาทาอะไรไก็ได้เอกขันที่หราตัน้ำเนี่ยไปนักแฝดที่ถามว่าถ้าพระเจ้าจะตายจริงๆนะให้ขันบนี้ทวนไปกระแสของน้าขึ้นไปทางต้ขึ้นไปทางต้นน้ำถ้าพระเจ้า จิตไม่ตายจริ ง, รงๆนะวางคันไปนี้ใมันไหลไปตามกระแสของน้ำรับรองคนต้องตายจริงๆแต่ขันมันก็ต้องไหลไปตามน้ําจริงๆอันนี้ไปวันเราตีควมหมายไม่ถูกอันนี้แหละเราไปฟังตํานานที่พูดนี้ตัวสำคัญอย่างไรขร้างติดหนาพระพุทธเจ้ายึดผ่านไปแล้วสี่รอยห้าสิบปีพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราควรกระแสของผมคิดชนะเองมันคิดขึ้นมาอย่าขึ้นงตา แต่อำนาจของควมคิดให้เราเห็นควมคิดเมื่อเราเห็นควมคิดเราวิธีใส่จริงๆเราทําไปได้สิ่งที่ผิดไม่ต้องทําสิ่งที่ถูกต้องต้องทําคนมันต้อง ท, าทําการทํางานเพราะคนมันกินข้าวนุ่งผ้าเนี่ยคนร่างกายมันต้องกินข้าวนุงผ้านูเสื้อถ้าไม่กินข้าวไม่นุเสื้อนุ่งผ้าก็เหมือนกับน้ำปัสจาจะไม่กิถ้าไม่กินข้าว ก, ก็ต้องตาย ชีวิตจะอยู่ได้ต้องหายใจอยู่แล้วถ้าไม่หายใจต้องตายอยู่แล้วเนี่เป็นคนจะไม่มี ก, <c oughs> ก็ต้องเห็นธรรมะธรรมะนะัรร่าคือคนทุกคนตนะ้องเป็นธรรมะต้องมีอารมณ์ธรรมะมีอารมณ์คือธรรมานุเบกเกิดจากใจต้องเห็นสภาพลุกทาวะของผมคิดจริงๆ อนนี้ธรรมากล้ารับรองคําสอนของพระพิฆเนศจริงๆทวนกระแสของน้นาําน้ําขาแป็นวิกิเลท่วงน้ําคือกิเลสคนนี้คิดปู๊ขึ้นมาทําไปทันทีไม่ได้มองดูวินิสัยใส่ขับพูดมันคิดขึ้นมานะคิดปุ๊บทาไปเลยสมมุตินะนี้คุณเคยสูบุหรี่ไหมพอดีมันชิดอยากสูบบุหรี่ปุ๊บไม่ได้เคยดูว่ามันอยากสูบบุหรีุ่รีเพื่ออะไรมันไม่ได้วินสัยใช่ใครเป็นคนอ ย, อยากอย่างนี้เนี่ย ไม่ได้ดูใช่ไหม น, นี่เราพับสู้ทันทีใช่ไหมสู้เลยแล้วบุรีนี่สู้ได้มันได้ประโยชน์อะไรไม่ได้เคยนะอาตมาติดบุรีข่าวนักผู้คจงจีนนะอาตมากนอติดบุรีหนักมือแดงหมดเนี่ไปไปปฏิบัติธรรมาซื่อญากับของมาจากเบียงจันข้อเบียงจันท์กับอำเภอสีสันไม่ข้ามไปมาหาแต่ในสะดกสมายแต่ข่าวนั้นดูมันยังไม่ได้เป็นข่าว รู้เป็นอำเภอเนาะต่ันเข้าใจผิดๆไปดูอาจารย์ยังไม่ได้เป็นอาเภอรู้จะเป็นกิ่งเขาเนี่ยจะเป็นกิ่งองตัที่เป็นก่งขอัวห้าไปซื้อยาเรียงจันยากระป๋องมาสูบติดคนสุบุรีไกลประมาณจากเอาจากยีสิบาทก็ได้นึกสาสิบาทก็ได้เขาได้ก็ได้แต่เราไม่ได้สูบุรีคนสูบุรีทางโน้นน่ะ วัวบุหรี่มันติดมากดังมันที่กับีแรงมันติด ม, มีแรงคันอานั้นน่ะมันติดเนี่ยกิเลสเราไม่เคยมองใหม่เมือ่ออจะมาไม่ในอัตภาพที่อยากสูบบุหรี่นั้นไม่ใช่ชีวิตเราแล้วไม่ใช่จิตใช่ใจเราแล้วี่เลสแล้วทุกแล้วก็เลยไม่เห็นทุกจริงๆนี่เห็นทวามคก็ต้องเห็นแบบนี้ต้องเห็นทุกจริงๆข่มโกรธข่มโรคข่มหลงเ น, นี่ยอันนี้มัเป็นอีกเรื่อง ธรรมันก็เลยรู้อย่างโหนี่ทุกจิตจิตธรรมาเลิกเลยบุเรียยองออยู่ข้างเนี่ยธรรมะก็ไม่ต้องสูบแนบๆนะเอ้าสุบดูมันสุบไม่ได้เมื่อรู้จักทุกจิตจิตธรรมะสูบไม่ได้จริงๆเอ้าสุบไม่ได้มันถามมันตัวมันเองสูบไหมสุบไม่ได้อะไรมันทําไม่ได้ทั้งนั้นนี่อันนี้เราเราออกจากธรรมะไม่ได้ติดอยู่ธรรมะเนี่ยนี่เรารู้แจ้งรู้จิตอันนี้เป็วเารู้แจ้งรู้จิตไม่ใช่รู้จักรู้จัก รู้จักรู้จักมันแก้ทุกตัวเองไม่ได้แก้ไม่ได้จริงจริงเมื่อพูดตอนนี้ก็จะมาลัดเรื่องศีลเหล่านี้ไหว้ผีเทวดาอะไรๆทั้งหมดอาจะมาไม่กลัวจริงๆไม่กลัวจริงๆผีอะไรอยู่ที่ไหนเขาเลี่ยมอะไระรักษาพระกูมิอะไรแตมาไม่กลัวมันเรื่องศูนเราไม่เคยเพิ่มตัวเราจะไปเพ้่มผีไปเพิ่มเทวดา เพิ่งเล่นการ์ดการ์เพิ่งบุหรี่เพิ่งอะไรไม่รู้คนเพ่งเล่าเพ่อะไรกินสิ่งนั้นแบบเป็นอาชีพคนเราที่ว่ามันไม่ได้เพิ่มตัวเราถ้าเพิ่มตัวเราจริงๆแล้วเนี่ยมันยืนยันได้มันเอาจริงๆกด้ในทางปฏิบัติเราต้องไปดดังนั้นที่มาพูดธรรมะวันนี้ก็ต้องพูดกับคถึงดว่าคือเราให้คอยดูคนคิด ให้รู้จักคุณคิดจริงๆเมื่อความทุกข์นั้นมันไม่มีจริงแต่เราไปจับมันมาเราไปจับมันมาเพราะเรศุขเมื่อเราไม่จับมันก็ไม่มีทุกข์เมื่อเราคิดขึ้นมาเราเองก็คิดเราเราก็ไม่ทําเป็นขปุจจนั้นเรียก่าเรามีสติมีปัญญาเห็นสภาพรูปภาวะบนจริงที่พูดเมื่อกี้นี่พูดแรงๆแต่ไม่ใช่แลงพูดให้เข้าใจสัจจะศาร์ก็มีปกติ คนก็มีปกติอยู่อันปกติทําไมเราจึไม่รูปกติจิตใจหรือจิตของเราจริงๆน่ะมันไม่เคยหยาบนะมันเฟรสนี่มันอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้จะตลอดเวลามันไม่ปรากฏเท่านั้นเมื่อไม่ปรากฏเราก็ไม่รู้วันนี้ตอนอาตมาจะรู้ออกจากโครไม่จริงๆนะหลักที่หนึ่งกหลักประวัติให้มันสั้น มาเดินจุดชมตอนเท้ากันพอดีวันนั้นเดนไม่ได้พูดเรียงตามลําดับนี่ยพูดนักดโท่านนี้ตัวใหญจับใจค่นได้เดินจนุดชมตอนเท้าวันนั้นเป็นวันเมื่อติดคาตื่นมาจะเป็นวันเมื่อติดคำเดินจุดชมประมาณ 3, นนตาณีสามเนี่ยืลุกเดิจุดชมเดิไปประมาณตีห้าเนี่ยปรากฏขึน้นมา เหมือนกับสำลีที่มันไม่เคยจุกน้ำแค่ของเราเอาสำลีนี่ไปจุกน้ําสำลีมันดูดเอาน้าไวที่สุดนะพอที่เราปีดน้ำออกจากสีมันหายน้ำออกสิน้นหมดมีปอะเทสสำลีแค่ไหนมันจืดหมดตัวแตมันจืดทั้งหมดเลยนีม่มันแตมาเคยเปลี่ยนด้วมือมือแดงๆเอา ม, มือที่มือมังกรที่มันขาวแตกตัวมันเน เนื้อหนังของเราเนี่ยทําธรรมดามันนะมันเจื อ, อยู่อย่างนี้ตลอดมาเราทําไมเจืมันไม่จือเป็นเพอะเอรื่องเพราะเราไม่เห็นตรงนี้สิ่งนี้มันยังไม่ปรากฏเมื่อสิงนี้รากฏเราจะรู้ทันทีนมาเคยเตียบ่ยมาอยู่ที่นี่ก็พูดพู ด, พดเร่งๆแล้วไปอยู่ที่ไหนเคยพูดเร่งๆต่พูดจริงเหมือนเรามีเรื่องไหนรอดหนึ่งเส้นมาปุ๊บเตะจนนึกปุ๊เขาตอนนั้น ค<พ>นยกปุกต่อตรงเดียวมีไปตัดตรงกลางหรือกอาไฟไปจุดก็ได้เมื่อไปตัดตรงกลางมันขาดออจากกานนันแล้วจะดึงเข้ามาอ่ะกันมันมันมันเลยไม่ถึงหรือมันถึงรกับจะไปจูจ่ๆอย่างเนี้ยแต่จะเอาของอะไรไปพาร์ทหรือไปควายไปแขนอะไร ไ, ได้มันห ล, ล่นเราไปแก้โทษน้ำน้ำตาลตรงกลางดึงไปตรงนั้นมันก็ไม่ถึงมันนี้มาแก้ตรงนี้ไปถึงตรงกลางเมื่อถึงตรงกล า, างคราวนี้มันไม่ถึงมันขาดออกจากเปช่วงอย่างนี้ ทีอ่อาจะมาเป็นอาตมาเข้าใจว่านี่คําสอนของพระุทธเจ้าทั้งหมดเลยแปดมือสีอันอานมขันรวมมาจุดนี้เองถ้าเราไม่รู้ที่นี้เราต้องมีความสงสัยตลอดลอาตมาหายความสงสัยวันนั้นหายกิงกิดใครจะพูดยังไงก็เรื่องของคนนั้นไม่เป็นเรื่องของใจพระพุทสอนอย่างนี้อาตมาจึงรู้ดำรีว่า เจ้าสอนที่ว่าสักการะธรสักการะแล้วของจินของเรื่องนิพพานที่ว่าเอาในชีวิตนี้ไม่ต้องตายได้จึงเอาคนในที่สอนตายได้จึตเขากลันถ้าต้องการนิพพานก็ตายวันนี้ดีกว่าพรุ่งนี้นะตายวันนี้เราจะได้นิพพานเนี่ยเราต้องอยากตายใช่ไหมใครอยากตายเดียดนี่ไม่มีใครอยากตายยกมือไม่มีใครยกมือเลยไม่มีใครอยากตายทั้งหมดเลยในโลก แต่ทำไมปารธนาเอา n i r v าน a ตัเมื่อตายไม่ม่งเอาเรื่องที่ไหนมาพูดกันอันนี้ก็ไม่ได้โจมตีนะพูดตะกุกติคุณต้องการ Nirvana ไหมใครใครต้องการนรกเรนนีนะ่ไม่รู้ใครต้องการสวรรค์ n i r v a n มีไหมมีไหมต้องการสวรรค์น i r v a n a ต้องการ Nirvana แล้วคุณต้องการ n i r น a n ยต้องการตายได้จึิงเอาเรื่องเอาเร่ ง, เเรงนี้ ก็เนี่ยยังใช้ได้อันนี้คนต้องพัถนาเอาหวางพัถนาให้บทกิเลสจากเครื่องดองทั้งแา่ท่านกล่าวว่าพระนิทานในอนาคตตั้งแต่เรื่องหน้าโน้นตายได้วจึงจะอนิพานถ้าเราต้องการอนิพานจริงๆแล้วตายแล้วจึ่อนิพาณก็ตายอยู่นี้คนดีสิเขต้องอยากตายเดี๋ยวนี้เพราะเราต้องการอนิพานเดี๋ยวนี้ก็ต้องตายเดี๋ยวนี้ดีดีอันนี้ผมจริงนะนี่พูดเนี่ยคือไม่ต้องพูดกับสักแสนอันนี่อันนี้เราต้องการอนิพาน เราก็ต้องตายได้จะ่อนิพพานและมันขัดกับไม่คําพูดของเราตายแล้วจะเอาอนิพพานเขานิพพานมียุ่ยอท่างนี้ทไมจิ้ไม่เอาก็ เ, เรื่องอันนี้เลยจ้ะวะพระพุทธเจ้าตายไปแล้วได้สองพันะ้าร้อยกว่าปีแล้วก็มีแต่ว่าเอานิพพานหลังจากผ่านตายแล้วเอาอนิพพานจากหลังตายแล้วท่านสอนอาตมาเองคนถึงที่เคยหลังรู้เอาว่าหลังจากผ่านตายแล้วจะจะเ อ, อนานิพพานเคยพูดอย่างนั้น เมื่ออายุ 40-60 ปีมนะันไม่เอาเยอะไรกันเอาเดียวนี้แต่น่าจะมาไปพูดที่ไหนอยากให้ผนรู้เรื่องนี้มากที่สุดแต่ว่าอยากให้ผนรู้เป็นทุกข์ไหมเป็นธรรมดาอย่าทุกข์ก็ได้หรือไม่ทุกข์ก็ได้เพราะเราไม่มีทุกข์แล้วเราไม่ลูกอะไรมาขัางเราเนี่ยเราออกนอกผลงได้เหกับนกที่ไม่มีโลงขัง